13. เราทำทุกอย่างเพื่อรักษาอัตราตัวตนวงเล็บเปิด 24. มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดจริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรนะก็เพื่อถนอมรักษาอัตราตัวตนนี้แหละเรากลัวอัตราตัวตนจะหายไปจากโลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลวัวตัวตนจะหายไปฉะนั้นจะต้องพยายามรักษาสุดชีวิตเลยถ้าเมื่อไดมีคนมาช่วยเรารักษานะเราจะภูมิอกภูมิใจ อย่าว่าแต่คนเลยหมาก็เป็นนะฉะนั้นไม่ว่าเราจะภาวนาหรือทำอะไรก็ตามมันประกาศว่าฉันยังอยู่อยู่ที่รู้ทันนะจึงจะหมดชั้นลงไปได้กระทั่งตั้งใจเดินจงกรมหามรุ่งหามค่าบางทีก็เพื่อประกาศอัตตานะไปดูให้ดีเถอะทำอะไรก็มีอัตตาแทรกอยู่ทั้งหมดเลย ยังครูบาอามีอยู่คราวหนึ่งตามหลวงพ่อไปวันนั้นจะไปศาลาลุงชินไปแวะฉันที่มอเตอร์เวย์พ่อฉันเสร็จแล้วมีทิชชู่นะ ท, ทําทิชชู่ปั้นกลมๆโยนลงถุงปุ๊บโยนไปปุ๊บเห็นเลยตรงที่เป็นทิชชู่นะนี่กูเก่งนะโยนนี่ก็กูเก่งนะแค่ทิ้งขยะนะอัตตาตัวตนยังแทรกมาเลยฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกทําอะไรอัตตาตัวตนแทรกทั้งนั้นแหละอยู่ที่รู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้าไม่รู้ทันนะ ทุกสิ่งที่ทําแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็ทําเพื่อสนองกิเลสทั้งสิ้นอย่างที่อาจารย์มหาบัวบอกว่าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกนะเพราะจริงๆทําเพื่อเซิร์ฟในวงเล็บสนองมันแต่ถ้ารู้ทันใจตัวเองอย่างแจ่มแจ้งไปเรื่อยเห็นไหมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะไม่ได้สนองกิเลสกิเลแสแทรกเข้ามารู้ทันแทรกเข้ามารู้ทันความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาดูออกแล้วใช่ไหมความเป็นตัวตนเกิดขึ้นเป็นคราว เกิดเมื่อใดเกิดเมื่อหลงคิดนะถ้าหลงดูอย่างนี้ยังไม่คิดตัวตนยังไม่เกิดมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้พอมันผุดขึ้นมาก็ภูมิอกภูมิใจนะบางคนเคยเห็นไหมที่โมโหแล้วมาเล่าด้วยความภูมิใจว่าดิฉันเวลาโมโหเห็นช้างเท่าหมูฮ่าฮ่าอย่างนี้นะมันเซิฟอัตราตัวตนทั้งสิ้นเลยกระทั่งมีกิเลสใช่ไหมก็กูเก่งอีกแล้วหรือบางคนพวกเด็กสาวๆชอบเป็นมากเลยนะสมวิญญาณนางเอก